ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตรระตพะปุพหสิกขาและปุพหสิกขาวันน า, นาพระอมราธิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรสนาต่อไปจะเป็นตัทยปราชิดมนุษย์สิหสิกขาบทที่สามความว่า ทิศสุดใดแกล้งภาพกายมนุษย์ตั้งแต่ปรถมวิญญาณตั้งลงก็คือตั้งแต่ปฏิสนธิเกิดกลละรูปในคันมรรดาเสียกลละรูปก็มีขนาดเท่ากับหยดน้ํามันงาใสที่ติดอยู่บนปลายหญ้าที่สลัดออกแล้วเจ็ดครั้งที่เหลือเล็กน้อยนั่นแหละคือกลละถ้าผ้ากายมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิที่เกิดกลละรูปในคันของบรรดาเสียจากชีวิต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 เธอประสงค์จะให้ตายและทำดังนี้มนุษย์นั้นตายในขณะนั้นหรือนานไปจึงตายด้วยเหตุนั้นก็ดีแม้เธอนั้นก็เป็นปาราชิกมนุษย์เป็นวัตถุแห่งปา ร, ราชิกอมนุษย์ยักษ์เปรตเป็นวัตถุแห่งถุนละใจเดรัจฉานเป็นวัตถุแห่งปารชิตีทั้งถ้าเป็นฆ่าพวกอมนุษย์พวกยักษ์พวกเปรตพวกนี้ก็ถ้าตายมีต้องบัตถุละใจถ้าไม่ตายก็ทุกขกอ พอเดรัชานี่ถ้าไปฆ่าตายก็ปฏิตีถ้าไม่ตายก็ทุกข์กอดเหมือนกันถ้าฆ่ามนุษย์ตายเป็นราชิตถ้าไม่ตายก็ถูรใจก็แลประโยคแห่งปานาติบาทมีหกคือสาหะที่กะประโยคน์ิสักยพระประโยคน์อนัตติกัประโยคนถาวระประโยควิชามยพประโยคอิทธิมยพะประโยคน์นี่ก็หมายถึงว่าประโยคก็คือการประกอบความเพียรในการที่จะไปฆ่ามี หลายแบบก็ต้องมาตัดสินตามแบบมันมีหกประเภทประโยคน์หกในการในการฆ่าอันแรกสาหัสกิจประโยคนั้นว่าประโยคความเพียรในที่จะฆ่าสัตว์อันบังเกิดด้วยมือของตอนเองก็คือทาเองสาหัสกิจประโยคนี้ทำด้วยมือตอนเองคือพิกูจปรารถนาจะฆ่าสัตว์เองและระหานด้วยกายมีมือและท้าเป็นต้น หรือด้วยของเนื่องด้วยกายมีหอกดาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสังฆติกะประโยคส่วนนิสสัิยประโยคอันที่สองประโยคคือการซัดหรือว่าคว้างไปได้แต่พิสูจน์ใครจะให้ผู้อยู่ที่ไกลตายและยิงพุ่งซัดคว้างไปซึ่งสัตราวุธมีธนูหน้าไม้และหอกยนก้อนศิลาเป็นต้นด้วยกายหรือว่าด้วยวัตถุอันเนื่องด้วยกายอันนี้ก็คว้างซัด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 ยิงไปแล้วทำการฆ่าแล้วผู้ที่เจาะจองนั้นไม่ได้ตายคนอื่นตายอันนี้ไม่เป็นกรรมพันธุ์คือว่าเจาะจองมนุษย์ผู้ใดถูกมนุษย์ผู้นั้นตายจึงเป็นปรารชิกถ้าถูกคนอื่นตายก็ไม่ได้เป็นปรารชิกถ้าถูกมนุษย์ผู้อื่นหรือว่าอามนุษย์และดีฉานไม่เป็นอาบัติอันใดมีโทษเงินนั้นนะไม่ได้เป็นปรารชิกแต่ว่าก็คงจะต้องมีโทษอาบัติอย่างอื่น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 แต่ตระชานตายกับปจิตตีในประโยคที่เฉพาะจัดจงและไม่เฉพาะจัดจงสองอย่างนี้ผู้ต้องประหาร น, นั้นตายในขณะนั้นหรือตายที่หลังตายด้วยโรคอันนั้นก็ดีเป็นกรรมพันธุ์แก่ผู้ประหารในขณะประหาร น, นั้นก็คือต้องอบัตานี่นเมื่อจะตายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ต้องอบัตตอนที่ประหารอันนี้ก็เป็นเรื่องของ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 ความนิยมกําหนดถูกอย่างก็คือนิยมวัตถุกําหนดวัตถุอย่างหนึ่งแล้วก็นิยมการก็คือกําหนดการนิยมโอกาสใน ก, การกําหนดโอกาสสถานที่ที่จะให้ฆ่านิยมอาวุธก็ใช้อาวุธอะไรในการฆ่านิยมเรืยบทให้ฆ่าโดยเรืยบทอย่างไหนหรือว่าให้อยู่ในเรือยบดงไหนจึงฆ่าแล้วก็นิยมกิริยาวิเศษหมายถึงว่าโดยอาการแทงเนื้อการฟันด้วยาการยิงนะแต่นี่เป็นการกําหนด นิยมวัตถุก็คือการกําหนดบุคคลนิยมวัตถุนะหมายถึงว่ากําหนดบุคคลที่จะพึงฆ่าคือกําหนดผู้ใดและบังคับให้ฆ่าผู้รับบังคับฆ่าผู้นั้นตายเป็นอาบัตทั้งผู้บังคับและก็ผู้ฆ่าถ้าผู้ฆ่าไปฆ่าผู้อื่นด้วยสําคัญว่าผู้นั้นพอดีผู้บังคับก็ผลโทษเนื่องไปฆ่าผิดตัวนั้นกําหนดให้ไปฆ่าคนใดถ้าไปฆ่าคนที่กําหนดนั้นก็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 นิยมโอกาสก็คือกำหนดที่ให้ฆ่าคนอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ร้านเป็นต้นผู้ค่าไปค่าในที่อื่นมีเรือนและนอกบ้านเป็นต้นก็ผิดสังเกตคนสั่งก็พนอาบัตินิยมอาวุธนั้นคือกาหนดให้ค่าด้วยหอกด้วยดาบผู้ค่าไปค่าด้วยอาวุธอื่นๆก็ผิดสังเกตเหมือนกันนิยมอิริยบทนั้นคือกาหนดให้ค่าคนที่อยู่ด้วยอิริยบทยืนเดินผู้ฆ่าไปฆ่าคนที่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 กลับมาบอกว่าฆ่าไม่ได้ครับคนสั่งสั่งอีกว่าถ้าฆ่าได้เมื่อไหร่ก็ฆ่าเลยจะรอรอไปรอมา้นทั้งคนสั่งฆ่ า, าพระิจุที่สั่งฆ่านี่ยนะตายมรณภาพแล้วก็อยู่ไปอีกห้าสิบปีคนที่ถูกสั่งเนี่ยก็เลยฆ่าตายาคนที่สั่งเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นพระิจุที่มรณะภาพไปผู้สั่งเนี่นะเป็นอาบัติตั้งแต่ตอนสั่ง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 และตั้งเครื่องศาสตราวุธมีดาบเป็นต้นไว้และละลายยาพิษในบึงในบ่อเหล่านี้เพื่อจะให้ผู้อื่นมาตกตายถูกตายหรือว่าติดกับดักแล้วก็ตายก็ดีและนำเอารูปเสียงติ่นรสผลพระธรรมรมที่น่ารักและน่ากลัวเพื่อจะให้ผู้อื่นเหือแทงหรือว่าสะดุ้งตกใจตายหรือดักแล้วฟ้าทับเหไว้เหล่านี้ชื่อว่าาวรประโยค อันหนึ่งพิกษุขเขียนหนังสือพนานาความตายว่าผู้ใดตายอย่างนี้อย่างนี้จะได้ลาบยศได้ไปเกิดในสวรรค์ทางนี้ก็นับเข้าในถาวรประโยคเหมือนกันในถาวรประโยคนี้พิกษุเฉพาะคือเจาะจองผู้ใดถ้าผู้นั้นตายก็เป็นอาบัตตามวัตถุนั้นถ้าผู้อื่นตายไม่เป็นอาบัตตามวัตถุไม่เป็นอาบัตแต่ว่าอาบัตเบาเนี่ยต้องมีรองออกมาแน่นอน ภาพิจูไม่เฉพาะคือไม่เจาะจงคือคิดว่าผู้ใดผู้ใดก็จงตายเถิดดังนี้ก็เป็นกรรมพันธุ์ตามวัตถุที่ตายคือพระอรหันต์และมารดาบิดาของพิจุนั้นตายก็เป็นอนันตริยกรรมด้วยเป็นประราชิดด้วยถ้ามนุษย์อื่นและยักษ์เปรตเดรฉานตายก็เป็นประราชิกหรือว่าตัวใจหรือว่าปัจจิตีตามวัตถุนั้นเครื่องที่เป็นฐาวรประโยคนี้ดังแล้วและหนังสือเป็นตัวอย่าง แล้วและหนังสือที่สุให้ปลาหรือว่าขายเขาเสียผู้ที่ได้ไปจัดแจงใหม่ก็เป็นโทษด้วยกันทั้งสองก็คือเขียนหนังสือให้ฆ่าตัวตายเนี่ยนะหนังสือนั้นตกไปอยู่แก่ผู้ใดคนอื่นตายก็มีโทษจากนั้นเลยหรือว่าเอาแล้วไปให้คนอื่นคนอื่นก็ไปดักสัตว์ตายหรือว่าดักมนุษย์ตายก็เป็นอบัตทั้งผู้ที่ให้ไปด้วยนะถ้าพิจิตร้อนใจว่าสัตว์ตายมากเอามาแต่ไหน ก็เอาไปไว้ที่เดิมจึงผนโทษถ้าซื้อเขาอมาคืนให้เจ้าของเดิมกลับเอามูลค่าคืนให้เจ้าของเดิมเอามูลค่ามาเสียจึงจะผนทธทษก็คือเอามูลค่าเอาของไปคืนเขาถ้าแล้วพิสุจน์ทเองหนังสือพิสูจเขียนเองเอาเผาไฟเสียให้หมดจึงจะผนโทษถ้าคันแล้วไฟไหม้ยังไม่หมดผู้อื่นได้ไปเอาไปประหารผู้อื่นตายเจ้าของเดิมก็ไม่ผนโทษเหมือนกัน ก้าหนังสือไปไม่ไหม่หมดผู้ใดเอามาเรียงเข้าอ่านได้ตามแล้วแล้วก็ตายด้วยหนังสือนั้นเจ้าของเดิมประมาผลทวีสังกันก็แลวิชามยัพประโยคคือประโยคที่ว่าด้วยเรื่องของวิชานี่นะประโยคอันแล้วด้วยวิชาคือพิจูไร้มนอาคมต่างๆและใช้คุณพูดผีใดๆก็ดีทําให้ผู้อื่นจกเสีย ด, ดังใดอย่างหนึ่งตายนันนี้ชื่อว่าวิชามยพประโยค ถ้าเจาะจองผู้ใดผู้นั้นตายก็ไม่ผิดสังเกตถ้าผู้อื่นตายก็เป็นอันผิดสังเกตกไม่อบปัจจุบัรรชิกถ้าไม่เฉพาะเจาะจองก็เป็นอนบปัจจตามวัตถุที่ตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิชามยะประโยคใช้วิชาอาคมมนต์ต่างๆ ต, ต, ต่อไปก็เป็นอิทธิมยะประโยคงั้นว่าประโยคอันสเร็จด้วยอิทธิอันบังเสดแต่กรรมดังฤทธนาคฤทธครุดฤทธยักษฤทธเทวดาฤทธพระราชา หากว่าพิจุมีตาเป็นอาวุธโกรธถดถึงตาแลดูผู้ใดตื่นหมายจะให้ตายถ้าผู้นั้นตายก็เป็นอบัตด้วยอีกที่มายัประโยคอันหนึ่งพิกษุขุดบอ่อเป็นต้นเพื่อจะให้สัตว์ตกตายในประโยคที่ขุดนั้นไม่เป็นปาจิตตีเป็นทุกกฎทุกๆประโยคขณะที่ขุดดินเพื่อจะทําหลุมพรางให้คนอื่นตกตายเป็นอบัตทุกกฎเพราะว่าเป็นปุกพระประโยคแห่งปานาธิบา ถ้ากุดไม่เฉพาะคือไม่เจาะจงสับใดใดตกลงมาก็คงเป็นอบัตปทุกฎ ข, ขณะที่ขุดนี้เป็นอบัตปทุกฎถ้ายักษ์เปรตมีกายเป็นเดรัจฉานและอมนุษย์หรือเดรัจฉานมีกายเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ดีตกลงเกิดทุกขเวทนาก็เป็นทุกกฎเหมือนกันถ้ามนุษย์ตกลงเกิดทุกขเวทนาเป็นทุลย์ใจถ้ายัก ษ, กษ์เป็นต้นตกลงตายก็เป็นทุลจ์ใจถ้ามนุษย์ ก็เป็นประราชิกสัตว์รัจานตายก็เป็นประยุตีไปอันหนึ่งพิสูจไม่แกล้งจะให้ตายดังศาสสองอันพิงกันอยู่พิสูจถือเอาศาสอันหนึ่งศาสอันหนึ่งก็ล้มทับเด็กตายไม่เป็นอาบัติเพราะว่าไม่ได้แกล้งจะให้ตายพิสูจไม่รู้ว่าเขาจะตายด้วยเหตุ น, นี้ดังพิจุให้บินธบานอันเจือด้วยยาพิษแก่พิจุอื่นชั้น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 ทำเองก็ตามใช้คนอื่นทําก็ตามเรียกว่าสานติกะสานติกะหมายถึงว่าเป็นไปกับการบังคับใช้คนอื่นก็เป็นอำนาจเหมืนกันมีองค์ห้าก็คือสัตว์เป็นชาติมนุษย์หนึ่งรู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตข้อที่สองข้อที่สามจิตประสงค์จะฆ่าข้อที่สี่พยายามด้วยประโยคทั้งหกก็คือพวก สาหัสกิจทำนิมืออขงตนเองก็ตามหรือว่านิสกิยะปล่อยอาวุธไปก็ตามอนาติกะสั่งคนอื่นเขาหรือว่าถาวรประโยควางกับดักวิชามิยะใช้พวกมนต์ต่างๆวิธีมิยะก็ใช้ริดด้วยประโยคหกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนี้แล้วก็ข้อที่ห้าก็คือสั์ฉั้นตายด้วยความพยายามนั้นจะตายทันทีหรือว่าตายอีกสิบปียี่สิบปีด้วยโรคอันนี้ก็แล้วแต่ด้วยการประหารด้วยการฆ่านี้ก็แล้วแต่ พร้อมด้วยองค์ห้านี้จึงเป็นประราชิกสิกขาบทนี้เป็นอัจิณนาทานสมุทฐานแต่ในอัิณนาทานสมุทฐานมีสมุทฐานเดียวกันกับพุทธิยปราชิกจินนาทานต่ิสิกขาบทนี้เป็นตติยปราชิกก็คือเป็นกิริยาเกิดเพราะการกระทําเข้าไปฆ่าการกระทํำกานฆ่าสัญญาวิโมกหมายถึงว่าพ้นได้ด้วยมีสัญญาที่ไม่คิดฆ่าสัญญาอย่างอื่นไปถึงจะพ้นก็เป็นสจิตกะ ก็คือมีเจตนามีเจตนาในการที่จะกระทา ม, มีความรู้ในการที่จะฆ่าแล้วก็โลกาวัชชะก็เป็นการกระทำด้วยอากุศรจิต ร, รู้อยู่แล้วก็เป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมได้ทั้งกายถวานและก็ทางวจีทวานสั่งเขาฆ่าก็ได้อากุศลจิตก็ต้องเป็นประเภทโทสัมโทจิตเพราะว่าเจตนาไม่ดีในการให้เขาสิ้นชีวิตเป็นทุกขเวทนาเท่านั้น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 ซักไซตก็ตามคือเชื่อก็ตา ม, ค, ตามคือไม่เชื่อก็ตามเนี่ยเธอก็ต้องป ร, รารชิกเสีแล้วในขณะที่อวดนั่นเองแม้เธอประสงค์ความบริสุทธิ์คือเป็นขึ้นหัดเป็นต้นและจะ ก, กลับปฎิญญาว่าข้าไม่รู้ไม่เห็นดอกแกล้งพูดว่ารู้ว่าเห็นพูดปดดังนี้ก็ไม่ผนโทษมาสารภาพแล้วก็ไม่ผนโทษเว้นไว้แต่สําคัญว่าตนได้อุตรินุสธรรมนั่นแล้วกล่าวตามความสําคัญจึงไม่เป็นอบัติ เพราะฉะนั้นก็เมื่อมาปวดก็เป็นอับัตเสแลงก็ต้องไปเป็นเพืเ่อหัดเป็นสมณเณรไปอุตรินุสธรรมนั้นว่าอุตรินุสธรรมเนี่ยนะแปลว่าเป็นธรรมแห่งมนุษย์อันยิ่งคือมหาคตธรรมเ่็ได้แก่รูปรจรอารูปอรจรและโลกุตรธรรมรูปอรจรนฌานสี่ก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌาน อรูปราวจรชาหสี่ก็คืออากาสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาัตนะเนวสัญญาณสัญญาัตนะและวิชาหกก็คือมโนมยิทธิยานอิทธิก็คือเนระิตกายอื่นออกจากกายของตนได้อิทธิวิธิยานความรู้แผงอิทธิฤทธิ์ต่างๆทิพซะโสตยานความรู้ไอ ห, หูทิพเกิดขึ้นเจโตปริยญาญญาณที่กาหนดรู้จิตผู้อื่น ปุพเพนิวาสยานญานที่ระดึกชาติได้จูตูป ป, ะปะตาตยานยานรู้จุติปฏิสัมภิงสัดล่าอื่นเหล่านี้เป็นมหากระตับธรรมพวกอภิญญาพู้นี้ก็เป็นจตุตตาชานหรือปัญจมะชานฌานที่ห้าโดยปัญจกนัยเป็นอภิญญาจิตรูปราวจรปัญจมะชานกิริยากับรูปราวจรปัญจมะชางุศลสองดวเนี้สองดวงนี้เป็นอภิญญาจิตามมารธรรมะเรียกธรรมอภิญญาห้าเหล่านี้ ส่วโซดาปฏิมาศโสดาปฏิผลสกัดธาตมิมักสกัดธาตุมิผลอน า, นาคหมิมักอน า, นาคามิผลอรหัตมักอรหัตผลและพระนิพพานเหล่านี้เป็นโล ก, กุตรธรรมเป็นโล ก, กุต ร, รธรรมวิโมกสามสมาธิสามคือสุญนตตาวิโมกสุญนตตสมาธิอ น, นิมิตาวิโมกอา น, นิมิตาสมาธิอั ป, ปนิหิตาวิโมกอั ป, ปนิหิตาสมาธิมรรคข้พาพนาสามสิเจ็ดก็คือ พอทิปปะวิธรมสันนิจเจตการนั่นเองสติประฐาน 4, สี่สามัพพทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าภะละห้าพอชงเจ็ดมัสประกอบด้วยองค์แปดขอดีปฐานะสามก็คือการละราคะโทสะโมหะวิณีวรณตาสามก็คือจิตเปิดจากราคะโทสะโมหะและวิชาที่สามก็คืออาสวัคยายานอาโทคยายานนี่เป็นโลกุตระวิชาสามหรือว่าเป็นอภินยาที่หกนั่นเอง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 พิสูจกล่าวว่าเราถึงปฐมฌานเป็นต้นประดีเราได้อิทธิวิทยานเป็นต้นประดีและกล่าวว่าใต้โสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลเป็นต้นประดีเราได้มรดได้ผลเราเป็นพระโสดาบันเป็นต้นประ ด, ดีเราเป็นพ ร, ร, ระอริยเจ้าเรามาละราคะแล้วเป็นต้นประดีกล่าวอวดดังนี้ด้วยกายหรือวาจาเมื่อจะกล่าวก็รู้ว่าเราจะปดเมื่อกล่าวอยู่ก็รู้ว่าเราพูดปด เราวอวดแกผู้ใดผู้นั้นเป็นมนุษย์เป็นบรรพชิตก็ตามเป็นกระหัตก็ตามเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามแต่เขารู้ความในขณะนั้นว่าเธอได้ฌานได้มรกได้ผลเป็นต้นเขาจะเชื่อว่าจริงก็ตามไม่เชื่อประตามภิกษุนั้ น, นเป็นสาราชิตถ้าผู้ฟังเขาไม่รู้ความภิกษุนั้นต้องทละใจถ้าอาศัยตนแต่อ้างผู้อื่นกล่าวว่า ผู้ใดอยู่ในวิหารของท่านผู้นั้นได้ปฐมชานเป็นต้นผู้ฟังรู้ความในขณะนั้นที่สุนั้นต้องถุนและใจผู้ฟังไม่รู้ความต้องอบัตุ ก, กฎก็แลจะไม่เป็นอบัตคืออนาบัติในจิกบทนี้คือบอกด้วยสําคัญว่าได้ถึงและไม่ประสงค์ในที่จะอวดสําคัญผิดอย่างนี้ไม่เป็นอบัตและที่สุบ้าเป็นต้นไม่เป็นอบัต ติฆาบทนี้เป็นอนานัติกะมีองค์ห้าอนานติกะหมายถึงว่าใช้คนอื่นนี่ไม่เป็นอาบัตสำรับตัวเองใช้คนอื่นให้อวดตัวเองนี่ไม่ต้องประราชิกคนใหนอวดคนหนึ่งก็เป็นประราชิกเรียกว่าอนานติกะก็คือไม่ต้องเพราะใช้มีองค์ห้าก็คืออุตรินุตธรรมไม่มีในตนหนึ่งข้อที่สองอวดด้วยมุ่งลาบมุ่งความสรรเสริญ ข้อที่สามไม่อ้างผู้อื่นข้อที่สี่อแก่ผู้ใดผู้นั้นเป็นชาติมนุษย์ข้อที่ห้าเขารู้ความในขณะนั้นถ้าพร้อมด้วยองค์ห้านี้จึงเป็นอบัติปาราชิกสมุดฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินาทานสิทธานบทก็คือเป็นทุติยปาราชิกสมุดฐานหรือว่าอธินาทานสมุดฐานมีสมุดฐานสามสมุดฐานสามก็คือกายจิตวาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิต เป็นคุริยาเป็นราะการทำสัญญาวิโมกด้วยคนได้ด้วยสัญญาอื่นแล้วก็สัจจิกะเป็นโลกวัชชะกายกรรมวิจิกรรมแล้วก็อกุศลจิตมีเวทนาสามเลยมีเวทนาสามเป็นสมนัสโทมนัสก็ได้อุเบกหาก็ได้ขณะที่อวดอันนี้ก็จบจตุถะภาราชิกประมวลภาราชิกหมดด้วยกันก็มียี่สิบสี่ก็คือมาในอุทเทศส่วนทิกสุมีสี่ ประราชีของพิสูมนีสี่ตัวนางพิสณีเป็นอ า, าสารณะอีกสีนนะ่เป็นแปดนะเป็นแปดแล้วก็อภาพภะประราชิกหมายถึงเป็นประราชิกก็ว่าเป็นอภาพภะบุคคลก็พวกอะไรบ้างปันดอ1หนึ่งเถรยสังวาสคนรักเพศรักสังวาส2องติทยะปักกันตะกะคือผู้ที่เป็นทิ่ตุอยู่ไปเข้ารีดเดรธีเนี่ยสามละ ก็ดีรฉานสี่ผู้นี้ก็เป็นประชิกบรรลุมรควนไม่ได้ข้ามารดาห้าข้าปิดาหกข้าพระรหันเจ็ดประจุสร้ายนางพิสณีนี่ก็ถ้าไปข่มขืนขนางพิสณีนี่ก็เป็นประชิกไม่บรรลุมรคผลอันนี้ก็ 8. แปดทำสังฆเพศก็าทำร้ายพระพุทธเจ้าฤหิตท่อสิบแล้วก็คนมีเพศทั้งเพศหญิงเพศชายอุปโตปยานชนกเป็นสิบเอ็ดสิบเอดกับแปดเดิม ก็คือของพิกส 4, ุสี่พิศณีสี่นะก็เป็นสิบเก้าและกับนางพิกศณีอยากเป็นเครื่อหัดนุ่งผ้าย้อมน้ําฝาดโดยอาการดังเครื่อหัดอีกเป็นเครื่อหัดแล้วก็มานุ่งห่มแบบครื่อหัดก็เป็นยี่สิบจําพวกกับอนุโลมปาราชิกอีกสี่อนุโลมปาราชิกก็ได้แก่พิกษุมีนิมิตยาวอาัยเพศยาว ก, ก็ใส่นิมิตในทวันหนักของตนเองนี่ก็ปาราชิกเหมือนกันอันนี้สองพิสุหลังอ่อนก็ก้มลงเอานิมิต ของตนเองมา อ, อมมันอมนิมิตของตนเองหลังอ่อนคมแล้วก็อมนิมิตของตนเองก็ประราชิกเหมือนกันกพิสุเอาปากอมองควชาติของชายอื่นก็ประราชิกเหมือนกันแล้วก็พิกสุนั่งทับองค์กำเนิดของชายอื่นนั่งทับองค์กำเนิดชายอื่นก็ประราชิกจึงรวมประราชิกทั้งหมดเป็นยี่สิบสี่ดัง น, นี้บุคคลที่เป็นประราชิกทั้งหมดนี้ถ้าตามสิกขาบทก็พิสุสี่พิสุนุ พิสุนีแปดแต่ว่าเป็นสาธารณะเหมือนกันสีน่แล้นก็ของพิสูตสี่พิสุนีสี่แล้วก็พวกอภัพพระปราชิกอีกอภัพพระปราชิกอีกสิบเอ็ดแล้วก็พิสุนีนุ่งห่มแบบกระดาษอยากเป็นกระดารวมเป็นสิบสองเป็นยี่สิบกับพิสศวรพิสุนีอนุรมประชิกอีกสี่อย่างรวมทั้งหมดก็เป็นยี่สิบสี่นี่คือบุคคลที่ต้องประชิก เพราะฉะนั้นต้องบาราชิก ต, ตามพระวินัยบยัญญัติก็มีต้องบาราชิกโดยความเป็นบุคคลนั่นเองก็มีแต่การกระทําผิดก็มีหรือว่านอสัตย์รัชาานก็เป็นบาราชิกอยู่ในตัวอุเบกโปยัญชนกพวกนี้ก็บาราชิกในตัวแต่ผู้ทําอนันตริยกรรมนี้ก็ทาบาราชิกเหมือนกันตาราชิกะวันนานานิติตาจบในเรื่องของบาราชิกแต่เพียงเท่านี้เรื่องของสังกาธิเศษก็ไว้ต่อในวันพรุ่งนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธา ฟังพระวินัยเพื่อให้เกิดความเรื่มใสศีลก็จะได้บริบูรณ์็นประชัยแก่สมาธิและปัญญาเพื่ออบรมไตรชิกขาโพวที่ปบบเยี่รมทำต่อไปขอให้ได้บรรลุอริยมรรคผลโดยทั่วกันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ